เหมือนกับว่าคนชอบสวยชอบงามอ่ะนะไปเที่ยวในสวนดอกไม้ที่มันเฉาทั้งสวนเลยนะเขาควรจะคิดยังไงโทรมนัดกลับมาเลยใช่ไหมถ้าคนอื่นไม่รู้นะปู้กางเนี่ยแน่เลยแหละทีนี้ถ้ามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้ในบรรดาเวทนาเหล่านั้นอ่ะก็ร่วมกับจิตอะไรก็มาศึกษาวิเคราะห์จิตต่อไปใช่ไหม อย่างที่กล่าวเมื่อเช้าว่าถ้ารูปที่น่าปรารถนาจิตชนิดใดควรเกิดขึ้นถ้ารูปไม่น่าปรารถนาจิตชนิดใดควรเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีจิตใช่ไหมจิตนี่มีนามรูปเป็นเหตุใกล้หรือเป็นปัจจัยเนี่ยนะมันก็วิเคราะห์จากนามจากรูปจากเวทนาจากอารมณ์จากเวทนาก็อ่านจิตได้แล้วเช่นว่าถ้าโสมนัตเวทนาเกิดขึ้นรูปารมณ์นั้นน่าปรารถนา จิตควรเป็นจิตชนิดใดก็ราคาจิตใช่ไหมถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าปราถนาเป็นต้นเนี่ยนะหรือเขาน้อมไปเพื่อจะให้ทานในวัตถุนั้นจิตอันนั้นก็ปราศจากราคะแล้วก็วิเคราะห์จิตต่อไปทีนี้ในบรรดาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะก็แยกจิตที่เป็นอกุศลก็มึงเข้าต่อไปว่าจิตที่เป็นอกุศลมีนิวรณ์เกิดร่วมด้วยอันนั้นก็จะวิเคราะห์นิวรณ์บพัพเะาไหม เมื่อนิวรณ์มีอยู่หน้าภายในก็รู้ชัดงไงเขาก็วิเคราะห์นิวรณ์เสร็จแล้วการวิเครายเหล่าเนี้เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ไหมอันนั้นก็วิเคราะห์พอดชมก็แยกในความเป็นกุศลและอกุศลให้ออกถ้ากุศลมีนิวรณ์เกิดร่วมด้วยถ้ากุศลของผู้ที่เจริญที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ก็จะมีพอดชมเกิดร่วมด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้ต้องดีเยี่ยมอันนี้แหละสเตนซีจึงจะ จะเจริญได้ต้องต้องแยกแยะวิเคราะห์เป็นนะนะเพราะสติเนี่ยเป็นตัวที่วินิจฉัยตัววิเคราะห์วิจัยซึ่งอันนี้คําสอนบอกไว้ไม่เราไม่ต้องไปค้นคิดเอาเองหรอกคําสอนสอนไว้เป็นอย่างดีบอกไว้เป็นอย่างดีทีนี้การวิเคราะห์เจาะลึกทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่ออบรมปัญญีสีเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะนะซึ่งวิเคราะห์ไปแล้วกายเวทนาจิต มีลักษณะเหมือนกันหมดคือเร่าร้อนสันตาปณะใช่ไหยวิปริณามะแปรปรวนอะไรอีกปีละนะเบียดเบียนสังคตะล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นล้วนแต่แปรปรวนสิ่งใดที่แปรปรวนสิ่งนั้นเนี่ยเบียดเบียนสิ่งใดที่เบียดเบียนสิ่งนั้นเร่าร้อนใช่ไหมขอบพระเกล้าทุกข์เจ้าครับพระครูท่าน อคุณจเจ้ากล่าวว่าสติเป็นตัววิเคราะห์วิิจิัยส่วนปัญญีสีจะเป็นตัวที่แต่งตลอดแล้วขณะที่มีสติที่กําลังวิเคราะห์ขณะนั้นตัวสติหรือว่าเป็นตัวปัญญาที่กําลังเข้าไปเข้าใจหรือว่ารู้ขณะนั้น อ, อที่ใดถ้ากล่าวว่าสติที่นั่นเท่ากับกล่าวว่าปัญญาแล้วแต่สติทํากิจมากกว่าคือสติที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่สามารถทํากิจของตนได้ เพราะฉะนั้นถ้าพูดคาว่าสติที่ใดปัญญาเท่ากับพูดแล้วแต่ว่าปัญญาไม่ได้ทำขิดหน้าที่พ้องเข้าตรงๆในอัตกถาหลายแห่งทั้งอัตกถาสั่งยุตเป็นต้นเนี่ย ท, ที่วิเคราะห์ถึงอินรียห้าเนี่ยนะอินรียห้านี่เป็นเหมือนกับคนห้าคนอะคนห้าคนซึ่งเขาไม่แยกกันเขาไปไหนเขาไปด้วยกันแต่ว่าแต่ละคนก็มีบ้านเป็นของตนของตนเนี่ยนะ เรียกว่าห้าคนนี้เหมือนกับลูกเศรษฐีคนละคนคนละคนกันเลยเศรษฐีบุตรสี่คนแล้วก็คนที่ห้าเนี่ยเป็นพระราชาแต่เขาเป็นเพื่อนกันเขาก็เดินไปถนนเดียวกันนั่นแหละก็เดินไปถึงบ้านคนที่หนึ่งเศรษฐีบุตรคนที่หนึ่งก็จัดแจงข้าวของในบ้านไอ้คนที่เหลือก็อยู่ด้วยแต่ว่าก็นั่งเฉยๆไปไม่ใช่บ้านตัวเองอันะไปถึงบ้านคนที่สองก็คนที่สองจัดการถึงบ้านคนที่สามคนที่สามก็จัดการถึงบ้านคนที่สี่ก็เหมือนกัน ถึงพระราชาวังพระราชาเป็นคนจัดการแล้วก็มีบุตรเศรษฐีเนี่ยไปอยู่ร่วมกันตลอดคือเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยนะงานเลี้ยงทั้งๆ ท, ท, ที่มันก็มีแก๊งอยู่ห้าคนเนี่ยสมมตินะมีพวกเดียวกันอยู่ห้าคนกวนนี่มีอยู่ห้าคนอ่ะแล้วแล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพอนนใครเป็นหัวหน้างานในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆไปในขณะที่มีศรัทธาไม่ใช่ว่าอินทรีย์ที่เหลือไม่มี ขณะที่มีความเพียรไม่ใช่อินทรีย์ที่เหลือไม่มีขณะที่มีสติไม่ใช่อินทรีย์ที่เหลือไม่มีแต่ว่าใครเป็นเจ้าของงานในเรื่องนั้นๆเจ้าของงานในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นในการวิจัยสติ ก, า, กายเวทนาจิตธรรมตรงๆแล้วอันนี้เป็นกิจของสติแต่การแทงตลอดอริยสัจเป็นกิจของ ปัญญาซึ่งในช่วงการอบรมก็เกิดสลับคละเคล้ากันไปเนี่ยนะซึ่งเป็นพวกนี้เป็นสัมปยุตต์ ป, ปัจจัยกันอยู่แล้วเพั้นการพิจารณาเหล่านี้นะถามว่าเมื่อไหร่เราจะบรรลุอะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะอินทรีห้าเจรนะิญนล้วบรรลุหรือไม่เนี่ยนะหนึ่งสองสามห้าดีข้อสี่นะเป็นฌาน วิจัยอย่างนั้นจนจิตเป็นอัปปนาได้หรือยังจนจิตตั้งมั่นเป็นฌานใจิตได้ไหมถ้าเป็นฌานจิตไม่ได้บรรลุไม่ได้เพราะว่ามัคจิตจะเกิดขึ้นต้องอย่างน้อยที่สุดเทียบระดับปฐมฌานเนี่ยนะระดับปฐมฌานเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าจึงต้องสัมพันธ์กันเป็นกันอย่างยิ่งปัณยินทรีย์ก็คือสัมมาทิฏฐิ เนี่ยนะถ้ากล่าวปัญญาที่ไหนสัมมาสังกัปะก็เท่ากับกล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะเว้นสัมมาสังกัปะก็ยากที่จะทํากิจของตนเว้นในระดับทุติยะฌานขึ้นไปเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นระดับล่างๆขึ้นมาก็ต้องอาศายัยวิต ก, กะเป็นเป็นหลักเลยทีนี้ต่อไปศรัท ธ, ธาถ้าตสักพินรียันะสะแสดงที่ไหน สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเท่ากับแสดงแล้วเพราะผู้ที่มีศรัทธาคือผู้มีศีลผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะเป็นคนที่รักษาศีลเป็นอย่างดีศีลจะดีนี่อาศัยสัตทินรียทีนี้ถ้าคนที่มีความเพียรสัมมาวายามะใช่ไหมคนที่มีสติก็สมมาสติคนที่สมาธิก็คือ สัมมาสมาธิเนี่ยนะทัานกล่าวอินทรีห้าก็คือการกล่าวมรแปดถ้ากล่าวมรแปดก็คือกล่าวอินทรีห้าบางคนนะถ้าพูดถึงการเจริญมรแปดเขาเข้าใจง่ายบางคนนี่เข้าใจง่ายเพราะการคําว่าเจริญอินทรีห้าบางคนเข้าใจง่ายเพราะใช้คําว่าเจริญโพชงบางคนเข้าใจง่ายเพราะใช้คําว่าเจริญสติปัฏฐานแต่โดยโ ย, โย่อปสรุปว่า ถ้ายังอบรมสมถาวิปัสนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นแหละอินทรีย์ห้าดีแล้วอันนี้ก็หมายความว่าถ้าทำปริญญาได้นั่นหมายถึงว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่เป็นปันจจัยที่สามารถจะทำให้ปัญญาทาให้ปัญญาที่ไร้ครควญทำปริญญาได้เลยแล้วกันเซนพาแต่ถ้า ไม่สามารถที่จะทําปริญญาได้ต่อเนื่องเนี่ยการอบรมอินทรีย์เบื้องร่างเนี่ยคะ่ะแยกแยกอบรมได้ะครับ อ, อ, อย่างที่อุปมาเมื่อกี้ว่ากินเลี้ยงเนี่ยนะอุปมาว่าเศรษฐีบุตรสี่คนกับพระราชาเนี่ยเปลี่ยนบ้านกินเลี้ยงไปเรื่อยๆได้ไหมได้ฉันใด้สิ่งเหล่านี้ก็แยกแยกอบรมได้ถามว้าเขาดูจากอะไรในการแยกอบรม เขาดูจากการมณสิการอารมณ์นะการพิจารณาอารมณ์นะอารมมณะปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เป็นตัวอ่านจิเตเจตสิกทั้งหมดเลยเช่นว่าพิจารณาสีอ่ะแต่คิดจะเจริญอินทรีย์นี่เจริญได้ยังไงมีสีเป็นอารมณ์นะเจริญศรัทธาเจริญได้ยังไงบอกเจริญไม่ยากแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าดิพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยรู้สีนะ สีไหนสีหนึ่งสีทุกสีเนี่ยทั้งที่สีอดีตอนาคตทั้งหมดไม่มีสีไหนที่พระพุทธเจ้าไม่พิจารณาทุกสีเนี่ยพระพุทธเจ้าพิจารณานะสีทุกสีพระพุทธเจ้าไม่มีราคาในสีเลยพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะในสีเลยทุกสีพระองค์วินิจฉัยไครครวนโดยละเอียดละอ่อย่างถี่ถ้วนนั้นพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ติดข้องในรูปายกัณฐในสีทุกสีเลยอันนั้นก็เป็นการเจริญ สักทินสีะธรทมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อให้พ้นจากจากอะไรจากสีเพราะสีเป็นทุกขสัตว์ะธรทมสอนให้ทำปริญญาในทุกขสัตว์ตัดชันธราท่าในสีเหล่านี้แทงตลอดอสังคตท่ทธาตุที่ไม่ใช่สีด้วยข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้สีละพิปลาฏในสีจนสามารถแทงตลอดอสังคตานั่นแหละทีนี้ถ้าเราจะเจริญสังขารุสติ ถ้าสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นสีแล้วท่านคิดอะไรกันนะเห็นนะเอาภารหันแต่ละรูปแต่ละรูปมาคิดดูนะสมมุติท่านท่านเดินไปบินท่าบาทเนี่ยท่านเห็นคนใส่บาทแล้วท่านคิดกันยังไงอันนั่นแหละเป็นการเจริญสังขานุสติวก็เป็นการอบรมสตินีพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีศีลเอ๊ะคนที่ลืมตามองเห็นสีเห็นยังไงจึงมีศีล เห็นยังไงจริงจะไม่เสียศีลเห็นยังไงจริงจะไม่เกิดอภิชากับโทมานั์ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระอริยะท่านทําได้อันนั้อันนี้นี้ของเราก็ในเบื้องแรกถ้าเราจะอบรมสัตว์ทินรียนะเราก็เชื่อว่ามีผู้ทําได้แต่ถ้าเราปฏิเสธล่ะใครจะไปทําไดนะ้ไอคนนั้นแหละมันทําไม่ได้ก่อนคนที่ปฏิเสธนี่แหละมันทำไม่ได้ก่อนเพื่อนนะนะเพราะตัวเองยังไม่เชื่อเลยว่ามีคนอื่นทําได้เนี่ยนะ ดันในชั้นแรกก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกของพระองค์ทําได้แล้วเชื่อตัวเองว่าฉันก็มีศรัทธาที่จะเจริญแบบนั้นบ้างฉันก็มีศรัทธาว่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างทีนี้อันนี้เจริญสัตว์ทรมซีนะถ้าจะเจริญวิริยินทรีโดยพิจารณาสีเจริ ญ, รญยังไงสีเหล่านี้ยังเป็นอที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมานัสเราอยู่หรือไม่ อภิชาและโทมนัทเนี่ยควรจะนำเราไปเกิดที่ไหนถ้ามีสีเหล่านี้เป็นอารมณ์เราควรเกิดที่ใดเนี่ยนะสีเหล่านี้เป็นประตูอาบายได้ไหมเนี่ยนะสีอย่างนี้เนี่ยเป็นประตูแห่งสุขติได้ไหมสีแบบนี้มนสิกานและปฏิสนธิในพรหมโลกได้ไหมเนี่ยนะได้ไหมสีอะไรวันณกะสินโอ้เก่งมากเนี่ยแล้ว สีอย่างนี้เนี่ยนะพ้นทุกได้ไหมคิดยังไงพ้นทุกอ่ะอัน น, นเราก็จะเห็นว่าโอ้ขคหนทางก็เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่เพียรนะปล่อยดะปล่อยจมอยู่กับสีเนี่ยสีสวยกว่าชอบสีไม่สวยกว่าชังสวยก็ชอบไม่สวยกว่าชังขอเป็นบ้าอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นอ่ะก็เฝ <c oughs> ้าสีอยู่ตลอดไปอ่ะนะอา้าก็คนที่ติดในสีจะมีอะไรจะนอกจากเฝ้าสี ที่ไหนก็ติดข้องอยู่ในสีมันก็จริงนะเหมือนเราเนี่ยเหมือนอาตมาเนี่ยไปที่ไหนจะไปดูสีนี่ไปที่ไหนลองให้ปิดตาไปดิไม่ไปหรอก <c oughs> ไม่ให้เราเห็นสีเลยเไม่เอาหรอกก็ติดข้องในสีไปเพื่อจะไปดูสี น, นั่นแหละไปที่ไหนเราไม่เอาเราเห็นสีแล้วก็ไม่เอาอีกนะไปปิดตาสองข้างไปเลยเนี่ยก็ไม่เอาอีกติดข้องในสีหมดเลยนะไปไหว้พระเจดีนะเขาบอกว่าเจดีแต่ไม่ให้ดูหรอกไม่เอา <c oughs> <c oughs> ติดข้องในสีขนาดนั้นไหน ทีนี้ต่อไปนะถ้าเราจะเจริญสตินซีหละในสีเนี่ยเป็นรู ป, ปรขันใช่ไหมก็เป็นกลุ่มกายานุปัสนาเนี่ยนะถามว่าสีเหล่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอาการสามสิบสองไหมล่ะไล่ไปไล่มามันก็เกี่ยวกับอาการสามสิบสองอีกจนได้นะั่นแหละแล้วสีเหล่านั้นเนี่ยเจริญสมาธินีก็ได้ใช่ไหมเจริญตันยินซีก็ได้เพราะฉะนั้นสีเดียวเนี่ยนะแล้วแต่น้อมไปเจริญอะไรเนี่ยนะ ปุตุชนทั้งหลายรับมนสิการอารมณ์แล้วอโยนิสมันเกิดขึ้นต่อด้วยอาสวะถ้าอริยะทั้งหลายท่านมนสิการอารมณ์เดียวกันนั่นแหละด้วยโยนิโสมนสิการท่านแทงตลอดอริยสัจอันนี้คือความแตกต่างกันเนี่ยนะเกิจุดจบของปุตุชนกับพระอริยะจึงต่างกันเนี่ยนะเพราะเราทั้งหลายก็เป็นกลุ่มพวกที่เลื่อมใสในพระอริยเจ้า เนี่ยนะเราเนี่ยมีพระอริยะเป็นสารณะเนี่ยนะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเราก็ขอศึกษาตามท่านเนี่ยนะกเรียกว่าสิกขาเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าสิกขาเราน้อมไปจะนึกวันละกี่ครั้งอ่ะอั น, นะหนอันไหสมาทานเออนึกวันละครั้งก็พอแล้วโอ้ได้บุญมากแล้วโอสันโดษจริงๆเลยนะสันโดษในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอนะนะสันโดษในกุศล S <S <S อตอนนี้พวกเราก็กำลังเจริญอินสี่ห้านะครับอยากให้พระคุณเจ้าแยกความแตกต่างกันว่าการอบรมอินสี่ห้าที่เป็นไปในโพธิปักจิยธรรมกับอินสี่ห้าที่ไม่เป็นไปในโพธิปักจยธรรมนี่มีไหมครับ